ความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ท่านเรียกรวมว่าทิฏฐิถ้าเป็นความคิดเห็นทัศนคติข้านิยมความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีโทษก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นฝ่ายที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิจใดมีอิทธิพลชักจูงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจไม่ดีเรียกว่าป่าปะมิต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 หรือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะนำไปสู่การตัสรู้คือมุ่งตรงต่อปรมาตต์ต่อไปจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิตัวแท้ที่จะให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าแนวสัจจะชาวุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดจะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือยังไม่คิดก็ตาม